ดีค่ะและนี่คือปอนยาคอบเซนทอล์โชว์ในช่องปอนยาคอบเซนอย่าลืมซ b s c r i b e และกดกระดิ่งริงริด้วยนะจ๊ะวันนี้ค่ะเราจะพูดถึง Net Idol Net Idol เียกเกิดขึ้นมากมายด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันนะคะแต่ก็จะมีดาวตัวจริงเป็่งประกายอยู่ในนั้นแล้วคนที่ปอนยอมในความสามารถคือไม่ใช่แค่พูดเก่งแต่มีศิลปะในผลงานของตัวเอง หนึ่งในนั้นก็คือเอแคลจือปากนั่นเองวันนี้ปอนพาทุกคนมาพูดคุยกับเอแคลแบบไม่มีสคริปต์นะคะมาดูกันดีกว่าว่าบทสนทนาจะพาเราไปไหนกันบ้างค่ะถ้าเราพูดถึง Duty ้บล็อกเกหนังประทูมันมีชื่อเดียวเท่านั้นที่ต้องหลุดใส่สมองเรานั่นก็คือเพจจือปากนั่นเองแน่นอนค่ะวันนี้เรานั่งคุยอยู่กับเอกแคลจือปาก สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งมานะครับคุณนา <c oughs> แล้วต้เป็นเฟตตี้ใส่ด้วยล่ะ <c oughs> ม่ก็ุนติดตามพี่ปอะจะบอกกันนะครับคุณผู้ชมถามุติ<อ>ตามพี่ปลอลีตั้งแต่หนเด็กๆเลยแบบเด็กมาก<อ>ครั้งหนึ่งตอนมออมสามแล้วเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่เห็นแคลคลิปคลิปสงการนั้น ท, ที่ทำให้เธอดังอ่ะฉันเห็นปุ๊บอ่ะฉันรู้สึกเลยว่าดีลูกร้านใหญ่เอง ถามจริงดูออกหรอแม่หนุ่มโป๊ะาบานได้มันไม่ใช่ความโป๊ะแต่มันเป็นจังหวะจากคนบางอย่างที่เรารู้สึกว่านี่คือลูกหลานวงวานยายเองพอแจ้เห็นปุ๊บแจ๊แบบไหนจะจังหวะก็ใช่ออชื่อเอแคลรครับทายคอนเทนต์เรา ชื่ออะไรมาจากแจ้ไหมอะมาจากแจ้เลย แ, แล้วความพีคคือตอนแรกตอนหนูอยู่ป .6 จําได้เลยตอนนั้นหนูหนูไปอยู่ยูคาฟูสมันที่มีคาฟูอยู่แล้วม่พิตตี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้ยินจังหวัดจากคนประเภทพิตตี้แบบว่าอะไรลูสำคัญตลอดทั้งรายที่สนใจในส่วนของโปรโมชั่นนี้เลยเฮ้ยมันมีการพูดแบบนี้นในโลกนี้หรอมนันดูออน่าสนใจมานดูน่าฟังแล้วจาได้ว่าวันวันถัดมาหนูจะต้องพีคเซนกันทําแกงส้มเป็นสักการงาน แต่ว่าวันนั้นหนูต้องไปแข่งมารยาทที่ไปแข่งวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนพระฤาษีคอนแวนเป็นเด็กถูกส่งแข่งเป็นเด็กอิจการเป็นเด็กอิการเป็นเด็กอิจการไม่ใเด็กเลยหนูบอกเพื่อนว่าบอกเพื่อนที่กลุ่มน ะ, ะว่าแกชั้นตั้งใจทำบอร์ดมากของคุกอย่างชันเตียมไว้หมดแล้วต้องพิเศษให้ดีเพืเ่อนช่วดีมทำไ้แกต้องพิเศษไงหรอเดี๋ยวฉันทำให้ดูอกูเอาตลิตี้ไปต่อ่ช่ดีม เรวมแ่งคูมคุลาวันอ่าลคุลาวันขาดต้อบอกนะควันนี้เราจะมีการที่ว่าโซบแกงส้มเลยนะจุจุดนี้นะดังนั้นใครที่สนใจนะสองคหนูสอนเพืเป็นเจแล้วเพื่อนเลยเพื่อนเป็นสนที่รับผดอย่างเงี้ยไม่ได้ฉันทำไม่ได้ดีมบอดฉันทำไว้สวยมากแกต้องทำไม่ได้ตัวเองก็รู้ดีอยู่ว่าก็ต้องทำเองนั่นแหละแร้วเราปบตัวมันจะเสียหาไหน การแข่งขันหมวดวิทยาศาสตร์ยกเลิกหนูเลยไม่ได้ไปวันนั้นเลยเลยเป็นอาลาวันขาแล้วชนิดพิตตี้มา <c oughs> พอพอดกนั้นมาปีถัดมาปุ๊บ <c oughs> แม่ก็ทำเอ็นี้คอนเทนต์เอกแกลแล้วจุดนี้รู้สึกว่ามันตรงอะแสดงว่าอ๋ออย่างการพูดแบบนี้เขาเริ่มพูดแบบพิตตี้หรอเออฉันชอบมากปีถัดมาปุ๊บไป็มอเตอร์โซเลยเพื่อไปดูพตตี เพราะาช่วงมปายค่ะดูที่โรงเรียนมัธยมวัทองจะมีกลุ่มกันเธอก็จะมีโยชินิรดาด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นกลุ่มกันเธิกันที่โรงเรียนแต่ว่าเราอยากมีชื่อกลุ่มสมัยนั้นทุกคนจะต้องมีชื่อกลุ่มกลุ่มของเราชื่อกลุ่มขนมหวานแต่และคนจะต้องมีคาแรคเตอร์คือเป็นขนมหวานของตัวเองอมือกไอแคจากคุณแม่ถามจริงพี่ลูกเกด so proud ตัย้มมาเรมามา ผูมายังไงอยู่ดังข้ามคืนฉันขอใช้คาว่าดังข้ามคืนได้ปมัน<ด>ช่ ม, มันใช่อ่ะมันใช่ดังมากแล้วได้ข่าวว่าคลิปนั้นทำมาเป็นปีแล้วจร <c oughs> ิงๆเปิดแลใหญ่พืนใช่ไมไม่ไมคืนจะบอกว่าหนูทาเพจมาเป็นปีแล้วแต่กอนนั้นจะเป็นมีมส่วนใหญ่ม่น<อ>แต่งแ้เนยหนูถ่ายรูปแบบน้าตลกอย่างเงี้ยหน้าขคนแต่งหน้าไม่เป็นเลไก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยคก็ไม่เปี้ยงเพราะว่ามีคนกดไลค์ั้ง4ี่สีลคนูไม่ีใจแล้วสิ๋ลเยอะจังเลยอะไรอย่างงี้ แต่ว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่โชคดีของหนูหนูจกับพี่อนาเขาเป็นเอเดลรุ่นเก่าอ่รู้จักอ่ารอนาทีวีนะะนะเอาหนูไปเป็นลูกสาวนอนกินกินอยู่บ้านเลี้ยงหนูเมันลูกเลยอ๋อหรอช่พี่าก็แบบเทรนหนูทุกอย่างแบบการการเข้าสังคมการไปออกงานเอแค่เดี๋ยวเวลาพี่ไลน์สดหนูมายืนข้างหลังคอยพูดคอยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักแปลว่าเขาก็เริ่มเขาเขาาเห็นว่าหนูเป็นเด็กพูดแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนวก็เทรนหนูตั้งแต่เด็กเลยเออก็เทรนมาจนคนรู้เรื่องรู้จักว่าหนู แล้วพอมาช่วยหนูเปิดเทอมก็ไม่ได้มีโอกาสไปอยู่บ้านพี่นาเพราะว่าบ้านพี่นาไกลมากไกลกว่ากับบ้านหนูแต่ว่ามาอยู่กับพี่นิสาเพราะพี่นันทิษาชวนมาทำงานด้วยเขาจะมีรายการไลฟ์สดชื่อว่าสวัสดแปลงคือจะบอกว่าหลายหลคนยังไม่ทราบกัรไปไหนดองไม่ได้ง่ายนะะการจะไลฟ์สดครัางเนี่ยหลายคนคิดว่าแบบปั้งตื่นนอนแปลงานที่ฟันเกิดกล้องไลฟ์สดไม่ได้ไม่จริงหนูคิดยังไม่ตลอแต่เม้นทเม่อจริงอ่ะเขาเตรียมมกัเบียอาทิตย์ก่อนที่จะไลฟ์หนึ่งครั้งวันนี้จะพูดด้วยคอน ใครต้องเข้ามาดูทาร์เก็ตคืออะไระลูกค้าคืออะไระใครจะเข้ามาเป็นแขกรับเชิญ<อ>มันคือเรื่องใหญ่มากที่ทเราต้องตากเตรียมงานเยอะมากอทีนี้พอเราดังข้ามคืนปื๋บ่ะอาจถูกชวนมาคนนู้นคนนี้ยุให้ทำล ะ, ะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นคนคอนเทน ตั้งแต่ตอนอยู่ประถมละทำบอดเลี้ยงมาเป็นอย่างดีเธอบอกฉันเองซึ่งฉันฟังแล้วเนี่ยมันคล้ายๆฉันตอนเด็กมากแต่นนั้นการที่เธอบอกว่าเธอลรียนสตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันแสดงให้เห็นในงานของเอกแคลร์จริงๆว่ามันเุณเหมือนงานทั่วไปนี่แหละเหมือนทำคลิปขำๆแต่ไม่ใช่ข้งหลังคือยากข้างในการแทรกเสียงรถบําการต่างๆในทำเสียงรดบําอะจวนี้ยาไปก่อนเลยนะฮะอะไรยมก็อว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการการทำหลายๆเสียงก็มาจากแม่อีกแม่ลุยกรอบอยู่แล้วป้าเต็มหมดเออทีเนี้ยการแทรกเข้ามามันนัวมันเอนเตอร์เทนและสําหรับฉันฉันดูปึ๊บว้าวนี่คืองานอาร์ตงานอาร์ตเลยที่ไม่ใช่ใครทั่วๆก็ทําได้พ อ, อดังข้ามคืนปึ๊บอยู่ๆมีนคนมาเมนเป็นร้อยคนดูเป็นล้านคนมาเมนเป็นแสนเป็นหมืน่นความรู้สึกเป็นยังไงต ก, ตกใจตกใจมากแม่เอ า, อางี้ก่อน เอ่ย้อนไปเมื่อสักครู่นี่หนูบอกว่าหนูดูทํามีคนก่อเหรแค่สคนก็ม้วนหัวแล้วทีนี้เนี่ยพอหนูได้รับการเชวนจากพี่ น, นาพอได้บ้านงานกับพี่นาจนแบบหลอ่อแบบให้หนูแบบเก่งขึ้นมาทางด้านลกอะไรไม่อายคนไม่อะไรคนอย่างเงี้ยทำไงดีหล่ะอยากเริ่มไม่มีกล้องอก็เลยปรึกษาแม่เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาหนูเรียนดีมาตลอดแต่ว่าที่ความที่บ้านจนนะฮะมแม่ทํานโรง ง, งาน<อ>ก็จะซื้อกล้องหนึ่งตัวก็เรื่องใหญ่วันนั้น<ถ>หนูเรียนอยู่มลังสิตแม่กุยอ้อนให้ไปเรียนเสร็จปุ๊บ แม่หนูอยากได้กล้องแม่ก็หนูจะทาไงแม่ก็มีบัตรหรืออใบรไปสลับบัตรผ่อนก็แม่หนูดูมารุ่นเนี้เขาขายที่สยามตัวดิจิตอลเกตเวล์สยามแม่หนูก็ไปเลิกงานห้าโมงแม่หนูก็ใส่ชุดแบบพนักแม่หนูเป็นพนักงานโรงงานประมึกซึ่งชุดเม็ดมากแต่แม่หนูเปลี่ยนเวลาไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดก็นั่งบีทอมาหนูก็คอยแบบโทรแบบเทรนแม่แม่ซื้อบัตรตรงนี้เสียบบัตรตรงนี้เอารู้เข้าอย่างเงีย่าไเงี้ยเทรนจนแม่มาถึงสยามพอมาถึงปุ๊บบัตรนั้นอะสามารถผ่อนกล้องได้ แต่ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราลุดปุ๊บแล้วผ่อนเลยไม่มีมากไม่ไ ม, ม, มีต้องเขียนมือนางนี้ผ่อนนี้ดอกเบี้ยตรงนี้เขียนมือหมดเลยใ<ม>ช้เวลาชั่วโมงนกาซื้อกล้องหนึ่งตัวผ <Okay. S 1> ่อนยิงสี่เมันยากลาบากก็จะซื้อกล้องตัวนึงมันยา ก, อ, ยาก อ, อะไรอ่ะพูดพี่โรเกด<อ>ูวอาอ่าเยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็นวันที่ได้กล้องมาตัวนั้นน่ะหนูพูด ก, กับเองว่าโอกล้องนีต้องหางเงินี้หนูขอร้องทีนี้ปุ๊บอ่ะเราเรามีกล้องแล้วทำไงต่อคือหนูอยากทำคลิปต่งหน้าอยู่แล้วหนูชอบดูทาไงต่อดีไม่ม ไปประชุมกันหลังใหม่หล่อนหล่อนฉันว่าเก็บเงินซื้อโทรศัพท์เครื่องเยเยแคมเถอะห่านการซื้โทรศัพท์เครื่องนี้ให้หนูใช้ถึงทุกวันนี้แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ตัดต่อคลิปในตือปากจนถึงทุกวันนี้เธอเป็นคนน่ารักมากใครๆที่มาอยู่กับเธอก็รักเธอถึงขั้นรวมตังกันซื้อของให้ไม่แน่ใจเหรคุณแม่ต้องเป็นแบบโอ้หอมหอมหอมยิ่งแล้วทีนี้พอมีคนมามาไลฟ์มาฟอลโลมาต่างๆเราชีวิต เอาข้างในเอาภายในนะภายนอกก็รู้เราก็คงสุขสบายได้เงินได้ต่างๆแต่ข้างในอ่ะเราเรามีความสุขกับกับชื่อเสียงนี่ไหมจะเรียกว่ามีความสุขไหมคุณแม่ก็ก็ค่อนข้างมีความสุขนะเพราะว่าวันหนึ่งเราอยากทําคลิปแล้วไม่มีคนดูอ่ะทุกวันนี้กลับแกเป็นว่าอุ้ยลงอะไรคนก็ดูทำอะไรคนก็ดูก็เห็นในผลงานที่เราตั้งใจทำอะไรนะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่เวลาเป็นอะไรแล้วคนทักเราแต่ว่าภายใต้ความที่เรามีชื่อเสียงคุณแม่มันก็แอบแอบสูญเสียความเป็นส่วนตัวนิดนึง แล้วเราะเป็นคนให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวแค่ไหนอย่างอย่างแจ้นี่คือจ้ให้สูงมากหนูไม่เลยหนูแบบเอ็นเตอร์เทนกับทุกคนทุกคนที่เดินผ่านหนูเป็นเพื่อนหนูได้หมดเลยเป็น extravert เป็นคนที่ได้พลังจากการอยู่กับคนใช่หนูชอบอยู่กับคนมากเด็กผู้ใหญ่หนูอยู่ได้หมดเลยผู้ใหญ่แก่มากๆหนูก็อยู่ได้อมันหนูเป็นอะไรหนูชอบอยู่คนโตมากแต่เด็กแล้วทีนี้ถามถึงคอนเทนต์การทําคลิปแต่ละคลิปของแคลมันก็จะมี ลักษณะที่เธอเติมเข้าไปอย่างเนี้ยแหละรถบ้ามบ้างเสียงนู่นเสียงนี่อะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าไปได้ไอเดียมาจากไหนมันก็ทั่วไปอ่ะทั่วๆเนาะใครๆก็ถามว่าพี่ได้แรงบันไดใจแรงนาคลิปมาจากไหนเงี้ยคนถามชั้นทั่วเลยดังนั้นฉันจะถามอันนี้ดีกว่าครับแรงบันไดใจใยการนำคลิปมาจากไหนอ่ะมันเรื่องอะนี้ก่อนเริ่องขอดีเจก่อนบ้านหนู ก่อนที่จะจ ะ, จ ะ, จะทำคลิปนี้บ้านหนูปีปีก่อนหน้าเนี้ยเคยจัดงานกระถินบ้านหนูชจัดงานกรถินจริงนะฮะแล้วป้านหนูว่าไม่รู้ไปตั้งมาจากไหนดีเจผู้ชายที่ทําเสียงเนี้เ<อ>ขามา<อ>แล้วคอมบิกเพลงสุดบรรอุมีแบบจังหวะนี้สาวเสื้อดำเห็นได้เฉยนะฮะเออแบบอุ้ยเราฟังรู้สึกปะอ้าวเสียงนี้ที่เราฟังก็เด็กอะอมันไม่ใช่เสียงในคอมหรอกมันเสดงว่ามันเป็นเสียงคนพูดแล้วเขเปิดเพแล้วเขาพูดดอยวนี้จังหวะนี้ส่งล่าเข้ามานะครับ มันเป็นเสียงคนหนูตกใจมากหนูแบบรูปชอบก๊อฟเสียงนั้นเด็กอยู่แล้วก็แบบจังหวะนี้จังหวะนี้ยาวไปรทองเกตเกตอย่าให้ได้ยินเสียงที่เรารู้สึกว่าโดนก๊อฟเลยก๊อฟเลยนั่งแบบจับทางเออจับทางเลยหุ่นล็อกก็แบบเราไปคนรู้ว่าไม่ได้ต้องทําตามครับเอนั่งท้องบนรถเดียวนั้นแล้วพอมาวันเดิหนูอยากทำชิทแต่งหน้าค่ะพี่ปอน แต่เปิด Youtube ทุกคนเหมือนกันอ่าราคาะเพื่อนเพื่อนนี้นะคะน้องไอแคร์จะาทำคิดแตกน้าโทนส้มค่ะทัวทัวแล้วเราอ่ะถูกส่งไปประกวดนู่นนี่นั่นโอ้เราปเป็นนักพีเซนเราป<อ>เป็นคนออกแบบาำรีสเน่เด็กรู้สึกว่าก็เหมือนงานพีเซนงานหนึ่งมันจะเหมือนใครไม่ได้ก็ได้อุ๊ย จำได้ว่าเคยก๊อปเสียงดีเจตอนเด็กๆแล้วลองมาลองมาทมันน่าจะขำดีบอกว่าคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์สงการเสียงนี้กับสงการน่าจะแบบไปกันได้ก็เลยทำก็ได้จริงๆมันลก็ได้จริงๆคุณแม่มันมันเซอร์ไพรส์มากพสมควรทีนี้ปุ๊บพอรำปุ๊บคนชอบกันเป็นว่าคนรีเควสเนี้ยข้ามปีก็ายเป็นว่าคนจำว่าหนูเป็นเสียงดีเจมาทั้งปีแล้วจริงๆอ่ะความตั้งใจของหนูนะ เอ่คลิปต่อหน้าคือดีเจคลิปต่อไปคือภาพหนังผีอะไรเงี้ยว่าอยากทำให้หลากหลายแต่ปรากฏว่าพอดีเจติดแล้วขอดีเจคนรีเฟรชปีไงสปอนซ์นี่แล้วทีนี้มันจะต้องมีความกดดันบ้างเวลาสปอนซ์ลงไม่รู้เธอเป็นหรือเปล่าแต่ฉันเป็นอ่ะยังไงแม่แม่เป็นมุมไหนฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกเลยที่มีสปอนเซอร์เชื่อไหมว่าพอฉันทำปุ๊บอ่ะฉันกลายเป็นว่าฉันหมดแรง เขามาบอกให้ฉันทําอย่างนั้นอย่างนี้ฉันแบบโดนบงการการที่ความคิดสร้างสารรค์ของฉันที่มันควรจะได้เป็นอย่างอันนี้ไม่ได้เป็น ม, มาถูกเงินบงการทาให้ฉันเสียเซลล์ฉันเลิกทําไปพักหนึ่งเลยมันจะมีวงแหวนแหวนหนึ่งขั้นแบบว่าโทษนะคะพี่อยากได้แบบอืมแบบ my favorite นะคะพี่เอาใหม่นะคะ my favorite คือหนูต้องชอบใช่ไหมคะไส้ขันน้องก็บอกว่าชอบเลยเนาะเอ้ยไม่ได้เออมันเกินไปอย่างเงี้ยเกินไป ต่ว่ามันจะมีแบบแมนที่นั่เราก็แบบส่งสคริปต์มาว่าต้องพูดประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็ถามจริงหนูพูดได้หรอประมาณนี้หนูใช้หนูใช้แล้ว ห, ห, หนูไม่รู้สึกแบบนั้นหรอหนูพูดได้หรอค้าอะไรอย่างเงี้ยความเป็นตัวเองตรงนี้ไงเลยทําให้แคล์เป็นในแคลทีนี้เนี่ยไม่มีบ้างหรอช่วงที่ <c oughs> ขัดแย้งกับตัวเองแบบโลกแหงอยู่ๆก็มีคนมารู้จักอยู่ๆก็อะไรอย่างเงี้ยมันมีความขัดแย้งอะ่ะมีไหมมีก็เครียดแบบเครียดจนแบบตึงแบบไม่อยากทาแบบเครียดเพราะอะไรก็เพดนรีฟ มันแบบมันบางทีแบบรีฟจนอะสมัยก่อนต้องยอมแล้วว่าเพจหนูเริ่มมาจากแบบคำที่หยากมากคนเลยตลกเพราะว่าในในช่วงที่ผ่านมาก็อยอมแล้ว่าประเทศเราแบบแอนตี้คำหยากทุกช่องทางอะไร่าเงี้ยมีหนูก็โตมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วพอหลังๆปุ๊บพอดีแบบแบรนด์พังพูดคํานี้ค่ะพูดคํำนู้นค่ะอ้าวเราร้างหนูทําไมอ่ะเออแบบบางทีแบบอุ้ยเสียงดีเจเยอะเกินอุ้ยเกินไปเปล่าคนแท่หนูคดีเสียงทีเจอะไรอย่างเงี้ยะก็มีก็แบบอุ้ยรู้สึกแบบก็คุยกับเพือนแบบแก้มันแบบ ไม่รู้ว่าสมัยอยากทำเลยเลยอย่างเงี้ยอะไรก็มีค่ะอืมแต่ทุกวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราบาลานซ์หรือยังกับชื่อเสียงกับเงินทองกับความส่วนตัวคือเรามีความสุขแบบบาลานซ์หรือยังหนูก็ว่าหนูบาลานซ์แล้วนะแม่เพราะว่าก็รู้สึกแบบหนูหนูควบคุมมันได้แบบหนูต้องทําอะไรต่ อ, อเดือนหนูต้องทำกี่คลิปดีอะไรที่แบบจไม่เคียกับตัวเราเองเะอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยเราจัดการกับมันได้ค<ะ>คน ผู้หญิงที่อยู่เบื้องหลังความสมําเร็จของเธอคอคุณแม่ค<ฆ>่ะเป็นยังไงกับความสมําเร็จนี้เข้าใจมั้ยเก็ตมนะั้ยตอนแรกๆอ่ะที่ใจดีทีวีออกมาค่ะ<ฆ>ที่บ้านไม่รู้จักเลยนะคือมันคืออะไรคือไม่มีใครรู้เลยว่าดังมากในกรุงเทพตอนนั้นน่ะแม่หนูก็ไม่รู้แม่หนูเป็นสาวโรงงานที่แบบเป็นชาวบ้านมากไม่รู้เลย<ฆ>จงกระทั่งเพื่อนๆในโรงงาน แกดูคลิปลูกแกแล้วยังออกใหม่แม่ก็คิดอะไรอ่ะเออพื่อนในโรงงานก็เปิดให้แม่ดูแม่ก็เลยออกมันคืออย่างนี้คือแต่งหน้าอีสระพาเริ่อตั้งที่บ้านหรือที่ลูกนั่ง น, นั่งกลางคือตีสามตีสี่ทุกวันคืออะไรออกคืออาชีพแต่งหน้าเธอมี hat ทอร์ไหมมีคนเกลียดไหมก็ต้องมีสิแม่แล้วเราจัดการยังไงคือหนูว่าโชคดีมากตั้งแต่หนูเริ่มเพจ ม, มาคนที่เกลียดหนูเขามไม่เคยแสดงตัว ก็แบบว่าไม่มีดิเขามีหนูมันมันมันมีอยู่แล้วแต่เขาแค่เขาไม่กคยแสดงตัวแต่ก็แบบมีการม้ลมอยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะมันต้องมีมันต้องมีเพราะว่าบุคลิกความต่างๆ Energy ที่พี่เซนออกมามันดูน่ารักอะแต่หนูได้ยินเรื่องมัลคอเยอะก็สมควรเกี่ยวกับหนูเลยแต่ไม่มีมาเม้นท์หน้ามองไม่มีอะไรก็เป็นเป็นเฮเทอร์ที่มีมารยาทพอสมควรไม่ไม่มาเม้นด่าหนูอ๋อมีแต่ทวิตเตอร์คือสังคมที่แรงที่สุดถูกมีวิดาหน้าอย่างงี้เหรอจะมารีวิวสกินแคร์แบบอะไรอย่างเงี้ย มันก็มันก็เหมือนขำไปหมดเนาะเขาพูดอย่างนี้มันก็เหมือนเขาแซว <c oughs> อะเขาจะพิมแบบหน้าอย่างเงี้ยหรอดูกกสกินแคร์เขาจะพมีก็ได้แต่หนูในความที่หนูเป็นโ อ, อารมณ์ดี้เด็กไงดูไหมแบบว่าหน้าอย่างเงี้ยเหรอมาดูกสกินแคร์หนูอ่านอย่างงี้ <c oughs> อะไรอะใครให้กิฟในการที่จะคิดบวกความ <c oughs> ไม่รู้หนูป็นคนทู่หนูชอบขำมากเออหนูรู้ว่าทไมหนูชอบขำหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขทกั้ที่หนูขำการเปย์ปากมันหนไม่ต้องเบร มันเหนื่อยป่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยว่าขำเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยขำมันมีความสุขกว่าเหนื่อยก็เลยซศร้าขำมองทุอย่างแบบเป็นเรื่องขำแล้วมีมีเศร้าไหมมันก็ต้องมีเศร้าเรื่องอะไรพูดหรอไม่ไม่ไ่ไม่หนูไม่เคยแบบอินเรื่องความรักขนาดนั้น แต่ทำจี้ปากหนหนูไม่ค่อยมีเรื่องเศร้าอ๋อก่อนนั้นก็มีเหรอก่อนเจ้าพะจนอ๋อก็คือแบบคนเราจะจนในขนาดนั้นเลยเหรอแม่อย่างเงี้ยอือเธอคิดว่าอะไรที่แบบทําให้ชีวิตเธอดีขึ้นความสามารถนั่นแหละที่อยากฟังมันคือความจริงยังไงแม่ก็เธอเพิ่งตอบเองไม่เหรอดูมุมมองแมว่ามันคือความจริงยังไงมันคือความจริง มีบ้างไม่้มีเยอะ <c oughs> คืองอกเป็นดอกเห็ด น, นะคะเน็ตดอกสมัยนี้ตแต่ว่าวใส่เต้นใส่ ย, ย่อได้นับได้เลยว่าใครมีมีของรู้สึกยังไงบ้างก็ <c oughs> ที่แบบจัวให้แม่ชมได้ขนาดนี้ไม่ก็ความสามรถหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมีไหมแต่ว่าหนูตัวแค่ว่าหนูเป็นเด็กกิจกรรมมากหนูทำออทุกอย่างทําไมถึงเป็นเด็กกิจกรรมคู่เห็ดหรือเราขอเองเรายกมือแลาวิภาหรือยังไงครูก็ Mm hmm. มอเราตลอดด้วยก็ยืนงานมาตลอดยืนยืนยืนไอ้แขยืนยื น, ยนอย่างเช่นตอนม6อ่ะหนูเรียน ว, วิคดีซึ่งหนูโง่ภาษาอังกฤษมาก mm hmm. คุณแม่แล้วมาวันนึงแบบคนจากนเนเธอร์แลนด์เขาจะมาทํากิจกรรมมาเยี่ยมเมืองไทยเลยค่ะ mm hmm. ไอ้แขเป็นพิธีกรนะได้ค่ะแต่พอมามาถึงใกล้แจะถึงวันงานนาก็แบบไอ้แขเดี๋ยวมาหาคุณตอนเย็นนาะก็ไปปลุกสคริปต์ปุ๊ทั้งนี้ mm hmm. แล้วเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ท, ทั้งหมด ใช้การท<ด>่องก็ทำได้เพราะหนูเดี๋ยววิคาิดง่ายหนูจะเก่งเรื่องท่องแบบวิชาชีวะมันต้องใช้การท่องเอาไงคือหนูอะเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยากเติมเต็มในเรื่องของของการพูดและภาษาถ้าแบบคุณไ ม, like, ม่ชอบกดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยแต่หนูไม่สังเกตหนูไหมหนูจะพูดว่ากดไลค์กดแชร์มันตมันต่างกันฉันไม่แชร์เลยนะคว่าเสียงอะค่ เราบว่า like Light, share ไม right. mm ่ไ hmm. ม no ่แลกูแค่หน yeah. hm like, yeah. ้ามือหน้าที่พูดอะมันจะมีความแบบอะพูดกด fail i เหป็นแฟนเป็นแฟน้ชงขาดูและเนี่ยอย่าลืมกด like กด share เกียร์เกียร์ป้าหนูอเรียหนูใภาษาเพ้าต้องกันเติมเต็มสิ่งเหล่านี้เอออีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำสำหรับโลกออนไลน์ คือลายเราต้องชัดเอเล่นต้องใหญ่คือจะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะการเล่นภาพยนตร์คือเขาจะเล่นแบบซับซอพรจอมันใหญ่อยู่แล้วละครต้องใหญ่กว่าภาพยนตร์พอจอทีวีต่ละคนมันแค่ยี่สิบสี่นิ้วแต่ออนไลน์จอเท่านี้อต้องเล่นเท่าไหร่เนี่ยก็กดไลค์กดใหญ่กว่าละครมันต้องใหญ่กว่าละครจริงจริงที่วิเคราะห์ยังไม่เคยเห็นใครวิเคราะห์ในมุมนี้ไม่มันมันต้องมีขอแม่คือเรารู้เลยว่าเฮ้ย เวลาดูคนอื่นนะหนูวีเคราเงวะทาไมหนูดูคนอื่นทำไมหนูถึงเบื่อวะก็แคี่แบบเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะแต่งนะไปวันมาในไทยไปเดทกับแฟนก็คอนเทนดีนะแต่งหน้าสวยทาไมหนูถึงเบื่ออันนี้ยัถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นจอใหญ่บางคนรุ่นจอเล็กล้าทำยังไงเว้นใหญ่เราเว้นใหญ่นี่คืออัจฉริยะอีกแล้วเฮ้ยแต่จริงการวิเคราะห์ขาดกดไลค์ มันจะดูมันสนุกมันสนุกมันสนุกเฮยนี่แหละเหตุผลที่ฉันไม่ทำดูเธอฉันไม่เบื่อเลยมีแฟนไหมไม่มีเคยมีแฟนไหมไม่เคยอยากมีไหมก็อยากมีคุณแม่เพราะแบบเพื่อนรอบตัวทุกคนแบบตอนเด็กเลยนะหนูไม่เข้าใจเรื่องแฟนเลยอ่ะแบบทุกคนดูโหยหาแบบว่าต้องมีแฟนอุ้ยมึงฉันโสดแล้วว่าอุ้ยมึยไม่มีแฟนอะไรอย่างนี้นะจนเข้ามหาลัยก็ยังไม่เข้าใจแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมหนูแบบสวยมากกับเรื่องนี้แต่ไม่มีก็ได้อืม ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าก็อยากมีก็พยายามคุยกับคนนู้คนนี้ก็อย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ทำไมแม่หนูชอบอยู่กับเพื่อนมากเป็นคนที่แบบอยู่เพื่ออยู่คนเดียวแปลว่าเปนคนเต็มเต็มหนูชอบเป็นแบบไลฟ์หนูชอบไลฟ์สนในเฟส่วนตัวคุณแม่คนจะถามตลอดว่ากินข้าวเหรใครอยู่ใครเพราะคนจะแบบคนทั่วไปักจะ update ว่าอยู่กับแฟนไหมแฟนน่ารักไหมดูแฟนหน่อยเงี้ยนก็อยู่คนเดียวค่ะกินข้าวคนเดียวค่ะหนูชอบแต่ว่าต่งเต็มโตกินคนเดียวอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวหนูรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันวัยมากมันทะ อย่างเดินเข้ามาในถ่าย ม, มาคนเดียวหรอ<ช>เพราะว่าบางทีเราเคยทํางานกับเน็ตดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีคนติดตามคนติดตามมีแอสเซสเซนตเยอะๆช่ชางกล้อง1นึ่งช่างบัตรสดหนึ่งซึ่งคนเดียวอยากไลน์ก็ถ่ายเองทั่วเนมีอันนึงคุณแม่ตลกมากลองไปดูนะคะับใ น, ในแต่งหน้าไปญี่ปุ่นชัมติงในเพจหนูแต่งหน้าแล้วแบบว่าเปิดฉากมาแบบเป็นไฟแบบดิมไลท์มาหลังหัวเป็นแฮร์ไลท์ไฟสวยมากหนึ่งสองสม หันสี่ห้าแปดแล้วมีหิมะตกข้างหลังเป็นแบ็คกราว์คนกเก่งจังรลยจ้างใครเป็นทีมงานทานโทษเบื้องหลังคืออย่างงี้ล็อกหน้าใส่กล้องอแล้วสเปชไปหิมะเอียวไปข้างหลังฉีดห้องสะหน้าสวยแลวกล้องโฟกัสบุ๊บหนึ่งสองสามฉีดผมเริ่มตกปุ๊บหันมุมคนไม่รู้แต่ทีมันสวยมากแบบวเราไม่มีหิมะมันเวร์มมากทเอง เนี่ยยังคงจะเป็นคนเคที่ตั้งแต่เด็กชอบทำอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแค่การสามารถที่จะเอ็นมือไป45องศาด้านหลังแต่เมื่อนับห น, หนึ่งสองพอมันเริ่มตกปุ๊บ <c oughs> ทำเองเลยพยากรคิดมันดีมากทำเองอปีนี้เธอบอกว่าเธออยากจะทำคอเนเทนต์แบบไบรที่มากคือมีรายการ ม, มีอะไรอยากจะแบบทีวีไมก็อยากคุณแม่เน็ตดอกทุกคนมองว่าทีวีเป็น next step หรือไม่ ไม่มองเลยมองเป็น next step นะไหนะใช่แต่แบบแบบผมก็แบบขอยนาตใจเขาไมาเจียมตัวผมก็แบบ อ, อุ้ยแกลราเป็นคนทั่วไปนำไ้ำเชื่อมดาราเราคงไม่ไม่ถึงจุดนั้นหรอกกลับอีกอย่างหนึ่งก็ดีนะที่เราไม่ได้ไปออกทีวีเพราะบางทีมันก็ต้องเซ็นเซอร์ตรงนี้นตรงนี้มันก็สูญเสียความเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะอีกอีกเลเวลหนึ่งที่แบบแล้วมั น, ม, นมันก็ไม่เป็นตัวเองไปเลยนะใช่สังเกตสี่คนที่ทํางานแบบเป็น ออกทีวีไปแล้วว่านี่คือเน็ตดอลที่เขาใจที่ไปทําทีวีจริงๆแล้วแบบคนก็จะพูดตลอดว่ามึงออนไลน์กับมึงในทีวีนี่คนละคนเลยคนละคนใช่มันจะคนละคนจริงๆเออก็ท่ามองในเรื่องของความสูงการทํางานอ่ะการทํางานแบบออนไลน์มันสบายสบแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองใช่แกมีพลังบางอย่างที่ฉันได้ว่าลูกเทพค่ะที่ฉันเห็นมาสองสคนในชีวิตฉันอ่ะจะไม่มีแฟนอืแล้วก็ไม่แคร์แม่หนูต้องมีป่ะแม่พูดว่หนูไม่มีแล้วอ่ะ แกไม่ได้อยากมีประเด็นคือแกไม่ได้อยากมีแกก็พูดไปขำๆอยากคุยแต่ไม่ได้อยากมีเวลาคนถามว่าอยากไหมแกก็พูดไปขำๆแต่จริงๆแล้วอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองนี่คือรูปเทพจริงแล้วก็จะแบบว่าดีกับพ่อแม่มากใช่ไหมแต่เกิดหนูแบบไม่เคยนอนแยกกับแม่เลยจนแม่ท่านทุกวันมียังนอนคือแบบระบบที่แบบแม่หอมกันก่อนนอนแต่สมหอมยังเป็นอยู่ต้องนอนแบบก่อนเนี่ยแม่หอมก่อนแม่ยังเป็น หมดเอวิมสองก็ยังเป็นลูกเทพมากเห็นมห่างจริงเร แ, แม่กระทั้งแม่ไม่ให้ติดแอร์ในบ้านก็ไม่ติดเพราะแม่ไม่ให้ไม่บอกเบอค่าไฟก็ปล่อยค่าไฟสี่รอเอาตุวันเนี่ยแล้วอันนั้นหรือปล่าที่มาหนังประตูคือมันมากเพราะร้อนจนพอร้อ น, นหนังขยะหน้าหนังขย่าไม่ไหวเลยขยะตอนทำกินตัวมีตัวมีเขนอย่ า, า, ามู ต, มมมตังค่าไฟเดือนเท่าไหร่ที่บ้านสี่ห้าอยทำไมไม่บอกแม่ว่าเรามีเงินแล้ว ก็บอกแต่แม่แก้ไข้ด้วยการซื้อฮาตาลีเพิ่ม9ตัวฮาตาลีไซส์18นิ้ว9ตัวเดีวบอกแม่แม่ฮาตาลี9ตัวมันเลยแอตัวหนึ่งอะแลกกันได้เลยนะจริงเออแอมันต้องล้างเห็นว่าบ้านข้างบ้านตะโกเขาต้องล้างทุกวันทุกเดือนอย่างเงี้ยเออตะแกงก็ต้องล้างแม่ตะแกงจะพัดลมอ่ะแล้ววาดภาพหรือเปล่าว่าแบบเอ๊ะอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่อะไรเงี้ยว่าวาดแล้ว S <S จะบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ยที่พี่หลินพี่นาพี่นาซื้อให้คือตอนปีสี่นะเมื่อปีที่แล้วเองนะนี่คือโทรศัพท์เครื่องแรกก่อนหน้านี้ถามว่าทำไมหนูไม่มีคือบ้านหนูไม่มีตังค์แต่ภายแต่เขาไม่มีตังค์ในยุคเนี้หนูเรียกถึงมอลังสิตินะแม่มันน่าจะมีเงินเก็บพอจะซื้ออะอซื้อสักรุ่นหนึ่งที่แบบเป็นสมาร์ทโฟล์คาย่อมยาวไม่พูดอีกติดแบรนด์สามหนึ่งเป็นสมาร์ทโฟล์คาย่อมยาวก็ยังได้อไม่ ถ้าไม่ใช่ไอโฟนยังไงก็ไม่ใช่ไอโฟน iPhone เท่าไหร่เออถ้าไม่ทาหรือหนูไม่อยากได้หนูจะไม่ซื้อตเด็กแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากได้หนูจะไม่ทาเออถาไม่อยากได้หนูจะไม่เอาเธอกับฉันเนี่ยเก็เอคลแล้วนะเราเป็นเอคลาดตัวแม่กับเอคตัวลูกเนี่ยนะเอเรามาขายอะไรกันดีเราต้องขายสิ่งสิ่งนี้ค่ะค่ะเริ่มันจะกจีอ อ้าแล้วคือแมคุณผู้ชมคะในส่วนของของหวานในวันนี้เนื้อค่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากมายค่ะวันนี้เหลือถึง4ชิ้นที่เดียวใช่ไหมคะล่ะถูกต้องค่ะคุณแม่าค่ ะ, คะให้ที่สนใจในส่วนของขนมตาจะบอกว่าวันนี้้องมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายยังไงเอยคุณแม่เด็ลองพูดซื้อห <ทำ S 1> นึ่งแถม3ามทาจริ ง, งะใช่แล้วค่ะสองอกเาสองเท่าเก้าคุ่มาเ น, นคุณพี่ค้าหรับคนที่เดินเข้ามาถึงปรโมชันได้ก่อนเนือค่ะ <c oughs> ต้องมีคนสี อ, เ, อ in เรอรนจุดีああเอาี้เรามาทำก like ิจกรรมก่อนในช่วงของบ่ายวันนี้เลยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครที่เดินผ่านมาจนนี้เพียงแค่นาบัตรประชั่นเขามาแล้วนำเลขสามพันสุท้ายมสนุกกับกิจกรรมของเราได้รับเละาสวนของลูกตาล4ลูกเต็มเใช่แล้วก็บอกว่าเป็นมิติแห่งการแจกขนมลูกตาลเลยค่ะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งมากม่ค่ะโปรโมชั่นนี้นค่ะหลังจากจบเกมนั้นแล้วเตรียมเหรียญบาทของคุณไว้เหรียญบาท เหรียญบาทเงี้ยคะใครมีเหรียญบาทที่ผลิตในปี 2,536 พยำเอาไว้เลยนะให้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราจะมีขนมตาล36ลูกเป็นโปรโมชั่นดิ่งใ่เป็นโปรโมชั่นยิ่งใหญ่กว่าทุกทุกปีจริงๆยิ่งใหญ่หรือด้แล้วมีเสียงใครอีกที่ทำได้ ที่ที่เวตอนแรกเธอไม่ได้อยากทำแค่แค่ไม่คนูก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเสี่เหมือนแค่แบบหนูอยากทำในมูดแบบนั้นมีมูทไหนอีกอย่งนบนี้อย่่เปิดกล้องมาแบบว่าและนี่คือการทาอายแชโดอะไรเงี้ยอทำาไปเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนฟิลไปเรื่อยๆสเต็ปต่อไปของเอคลร์จื๊อปาคืออะไรจริงๆหนูเริ่มตั้งแต่วันแรกหนูมองเพจเวลหนูพูดคว่า บันเทิงความงามบันเทิงและความงามหนูอยากให้เพจหนูเป็นเพจที่แบบวอลล์ตี้มีหลายๆคอนเทนต์ที่มันเป็นความบันเทิงอะไรอยงี้ค่ะอยากทําแต่ว่าตอนนี้คือดูตัดุนเดียวตอนนั้นัวลาหนูตัดคนเดียวมันก็จะได้แค่คอนเทนต์คนของการแต่งหน้าก็เป็นบล็อกเกอร์อยู่แต่คอนเทนตของการเป็นรายการอะอยากทําในปีนี้มากจะติดตามเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เอกทำแจ๊รู้ว่ามันจะต้องดีลาสิลาลาลาลาไปก่อนแต่ว่าอยาก ขอเสียงรดบัาจะวันนี้เราสองคนตั้งลาไปก่อนเลยนะฮะสวัสดีค่ะ